ในมุมขนสูตรท่านกล่าวไว้พวกเราฟังจนจินใจสวดสาธยายจนชินปากก็คืออเซวันนาจะบาลานังปันตานันจะเซวันนาแปลความก็ว่า การไม่คบคนพานพันดานหยกักการครบบัณฑิตผู้ผู้พชอบด้วยกายวาจาใจเอตัมมังคารมุตตมังถ้านนับเป็นมงคลสูงสุดเราอาจจะคิดแต่ในแง่ภายนอกเห็นม่คบคนพานพันดานหยกักนอกๆแต่นั่นก็ถูก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 คือกิดกันกีกกันในทางที่ดีของเรามาให้ทำความดีได้โดยสะดวกสบายหาเรื่องนั่นมาขัดข้องหาเรื่องนี้มายุแย่ให้ล้มเหลวไปตามมันจนได้เรื่อยมานี่เรียกว่าทานภายในคำว่าพานนั่นทาง พุทศาสนาทั้นหมายถึงความคิดที่ทำให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนท่านเรียกว่าผ่านจะมีความรู้ความเฉลาดมากน้อยเพียงไรถ้ายังจะทำคนอื่นให้เดือดร้อนและตนเดือดร้อนอยู่แล้วความรู้นั้นท่านเรียกว่าเป็นความรู้ที่ฉลาด่ดความรู้ที่ยังผู้ผประพฤติปฏิบัติให้คนอื่นได้รับความสะดวกสบายมีความสุข ตนเอก็มีความสุขนั่นท่านเรียกว่าเป็นความรู้ความฉลาดแท้ตามหลักธรรม่พานนี้หมายถึงพานภายในตัวของเรานี้เป็นสิ่งสำคัญมากอันหนึ่งซึ่งอยู่กับตัว ต, วตลอดมานั่นเราเคยคบค่าสมาคมกับพานตัวนี้มานานแสนนานจนกระทั่งบัดนี้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 ในขณะที่คิด ท, ที่ทําที่พูดออกไปทุกระยะชื่อว่าเป็นผู้ไม่คบคนุมทานชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยต่อคนทานทั้งภายนอกภายในให้ครบบรัญญินนับานาถหมายถึงภายนอกด้วยภายในด้วยอย่างที่เราคอบกับครูกับอาจารย์เพื่อนผูงที่มีความประพฤติดีงาม และให้อุบาทสั่งสอนนื้นให้อุบาต่างๆจะเป็นยากเป็นมิตรเพื่อนสูงอะไรก็แล้วแต่ตลอดถึงครูถึงอาจารย์ที่ให้อุบายอันดีงามแก่เราเรียกว่าบัณฑิตไม่ต้องหาความรู้ความสนัดแดกตู้พับไกลปิดอกนาก็ตามไม่ได้หาความรู้ความถนาดถึงขั้นปริญญาเอกนาก็ตามสําคัญอยู่ที่ความคิดความเห็นการประพฤติตัว เป็นสิ่งที่ชักชวนให้คนอื่นได้รับความถุกความสบายเป็นความถูกต้องในงามไปด้วยมีตนเป็นทําคัญเป็นผู้ให้อุบายมีท่างเรียกว่าบัณฑิตทางพุทธศาสนาท่านหมายอย่างนี้เป็นบัณฑิตแล้วก็ บ, บัณฑิตภายในได้แจกอุบายวิธีต่างๆที่จะเป็นไปเพื่อคงณงามความดีจากตน นับแต่พื้นน่งคุณงามความดีขึ้นไปจนมาถึงสติปัญญาที่จะถอดถอนยีเล็ออกจากจิตใจของตนเป็นลํำดับําับเป็ น, นชั้นๆของสติปัญญาเรียกว่าบัณฑิตนักตรัสเปน็นชั้นๆไปจนมาถึงมหาขั้นมหาบัณฑิตมหาบัณฑิตก็ได้จามหาสติมหาปัญญานั่นเองเรียกว่ามหาบัณฑิตเลยขั้นหาบัณฑิตไปแล้วก็ถึงมิมุติเรียกว่าจอมปราทที่นี่นะ เลยขั้นมหาบุรุษไปแล้วก็เป็นจอมปราบได้แก่ผู้เฉลียวฉลาดรอบตัวภายใน จ, จิตใจคือพระรหัน ท, ราารนทิ้งชีเลศอาสวะเดยประการทั้งปวงนี่เป็นมงคลอันสูงสุดทั้งสองอย่างนี้คือเสวนาจะบาลานังใม่คบคนผ่านทั้งคนผ่านภาย น, นอกทั้งคนผ่านภายในปัณฑิตานั่นจะเสวนาใม่คบบัณฑิตนักปราดผู้เฉลียวฉลาด ทั้งภายนอกและภายในพยายามปิดตัวให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับสิ่งที่จะเป็นฆ้าสิษย์ต่อจิตใจของตอนนี่เรียกว่าบัณฑิตป่าให้พบผู้นี้ให้สั่งสมให้ส่งเสริมผู้นี้ให้มีกำลังมากขึ้นโดยลำดแบบับสลำดแบบับเอกตมังคารมุตตมังท่านเรียกเป็นมงคลอันสูงสุดน่นนี่ข้อน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 สมณะที่สามได้แก่พระอนาคามีสมณะที่สี่ได้แก่พระรหันการเห็นสมณะเหล่า น, นี้ที่ว่าเป็นมงคลอันสูงสุด น, นี่เป็นมงคลขั้นหนึ่งเป็นสมณะขั้นหนึ่งส่วนภายนอกและพยายามทาให้แจ้งซึ่งมากผลทั้งสี่นั้น คือสมณะทั้งสี่นั้นได้แก่สกโสดาสกิทาอานาาคาอารหัตตบผลขึ้นภานกิจใจของตนนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทาให้แจ้งซึ่งมรรคผลทั้งสี่รวมเป็นแปดเป็นมงคลอันสูงสุด ในมงคลเทปนีที่ในมงคลลัทธิที่ท่านแสดงว่านี่มีแต่ทาสําคัญนซ้ำขันทางนั้นแต่นี้แยกดังที่ว่านี้ให้แยกแยกพิจารณาข้างนอกพิจารณาข้างในเก็่อเสี่ยงกันเนี่ยที่เทวดาทั้งหลายเกิดมีปัญหาถกเถียงกันอยู่ถึงสิบสองปีไม่มีใครจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้เลยจึงพากันมา ทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าโดย ท, ที่ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นแล้วในโลกเป็นผู้สามารถที้แจงอักธรรมหรือปัญหาในเงยต่างๆให้เป็นที่เข้าใจแก่ผู้คล้องใจทั้งหลายจึงได้พากันมาทูลถามพระพุทธเจ้าตามมุคลสูตรที่ท่านยกขึ้นไว้บนต้น แต่เวลาท่านสูรมลท่านยกเอาเพียงมาอะเซวนาจะ บ, บาะลังเรื่อยมาเลยท่ามรากาศถึงบกเทวดาทั้งหลายมาจากโน้นจากนี้มากมาย ก, กายกองเรามาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาทูลถามปัญหาท่านตัดออกเสียหมดเอาแต่ น, นื้อเนะื้อคือมองคลสุดสามสิบแปดประการนี้มาแสดงมงคลสามสิบแปดประการนี้เป็น คุณแก่เทวดาทั้งมนุษย์ทั้งหลายเลยตลอดมาจนกระทั่งจึงทุกวันนี้เราจึงควรเจริญมงคลสูตรนี้สูตรใดก็ตามเป็นที่แน่ใจหรือเป็นที่สนิทกับสจิตนิสัยของเราให้มีพึ่งภาณในจิตใจของเราดังที่กล่าวในสองสามบทเบื้องต้นนั้นว่าไม่ครบคนมทานไม่ให้ครบบัณฑุการเห็นสมณะ นี่ใหน้ำากฏขึ้นภ า, ายในจิตใจของเราชื่อว่าเราเป็นผู้ทรงคุณธรรมอันสูงสุดไว้ภ า, ายในจิตใจคำว่าเทวดาตั้งแต่วันเกิดมาเราไม่เคยรู้เคยเห็นคิดดูดิมนุษย์ด้วยกันพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งสาวกอรหันอรหันท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ทําไมท่านสามารถรู้เห็นเทวดาจนถึงกับแนะนําสั่งสอนเทวดา ให้ได้สำเร็จมาผลนิพพานจํานวนเป็นล้านล้านไม่ใช่ธรรมดาเร า, าที่ท่านกล่าวไว้ในสูตรต่างๆว่าเทวดามาฟังเทศพระพุทธเจ้าได้สําเร็จมาผลนิพพานเป็นโกดคําว่าโกดเค่หมายเท่าไหร่ม่ทราเป็นแสนแสนเป็นโกดว่าเนั่ยย้ำไม่เพียงแต่เทศวันหนึ่งวันเดียวนั้นแค่จึงกระทั่งโพลปรินิพาน ทางในพุทธกิจท่านแสดงไ้มว่าอัตลเจเที่ยวปัญหากำตั้งแต่หกทุ่มย่องไปแล้วแก้ปัญหาแนะนํน า, นาสั่งสอนเทวดานะชั้นต่างๆที่เข้ามาทูลถามมหากับพระพุทธเจ้านี่ท่านถือเทวดาเหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายสอนเทวดาเหมือนกับสอนมนุษย์ทั้งหลายนี่เองท่านถือเป็นธรมธรมดาธรรมดา เช่นเดียวกับเรามองเห็นคนทั่วๆไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นพวกเทวบุตรเทวดาชั้นต่างๆพระจักด้วยขยาณของพระองค์คือตาทิศเช่นเดียวกับเรามองเห็นสิ่งต่างๆนึ่งมนุษย์จักทั้งหลายด้วยตาเนื้อของเราแต่เมื่อเราไม่มีตาทิศเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วจิงกลายเป็นปัญหาโลกแตกคู่วันนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงอย่างนั้นด้วยพระจักสุ ญ, ญานของพระองค์ กับเราที่มาด้านดาวลึกคาดกันนีด้านลบความจริงนั้นด้วยความมืดบอดของเราจึงเป็นที่น่าสลดสังเวชอย่างยิ่งทีเดียวเนี่ยระหว่างคนตาดียวคนตาบอด ร, ระหว่างคนโง่คนฉลาดมันผิดกันอย่างนี้ทั้งๆ ท, ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันก็ตาองสามารถสั่งสอนเทวดาอินโตมยมยากตลอดถึงจัตตรกเปรตมนุษย์มนาไม่มีจํากัดขอบเขต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 พระพุทธเจ้าภาระหนักมากขนาดไหนยังสามารถทํานําภาระนั้นไปได้ตลอดทั่วถึงจนกระทั่งวันปรีผ่านไม่มีภาระใดที่จะหนักมากยิ่งกว่าพุทธกิจพุทธภาระของพระพุทธเจ้าแต่พระ อ, องค์ก็เป็นพุทธวิสัยนี่ปเป็นไปด้วยอํานาจวิสัยของของศาสน า, า, าทํำไประด้าตลอดทั่วถึงสหรับพวกเราไม่ถึงอย่างนั้นแม้แต่จะมาสั่งสอนตนเองเพียงคนเดียวเท่านี้ ก็ยังล้มลุกคู่ครานให้กิเลสตัญหาเหยียบย่าทําลายขี่รถเยี่ยรถบันรังคําคืนยังรุ่งบางทีก็เดินจังกลมก็ขี่รถบนหมอยบนทางจงกลมนั่งพอน้ำก็ขี่รถเยี่ยรถอยู่สถานที่นั่งพอนา้ำนอนทอน้ำก็ขี่รถเยี่ยรถอยู่นั่นเลยกลายเป็นเช่วมเป็นฐานของกิเลสตัญหาทุกปบียบทด้วยความไม่มีสติพิจารณาหน่อยี่มันต่างกันไหมพระพุทธเจ้ากับพวกเรา มาพิจารนนะถ้าว่าเราจะนำมาถือให้เป็นประโยชน์เป็นกติเครื่องท่าสอนตัวเองให้เกิดประโยชน์จากธรรมที่กล่าวมานี้ก็คือมีบทสำคัญอยู่ว่าถ้าพุทธเจ้าท่านทำไมสามารถสั่งสอนพระองค์ได้แล้วและเป็นครูของสัตว์โลกได้ถึงสามโลกธาตไปโดยตลอดทั่วถึงแต่เราจะสามารถสั่งสอนตัวของเรา และแก้กีเลสตัณหาอาสวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราเพียงดวงเดียวเท่านั้นทําไมจะไม่ได้แล้วทำไมจะปล่อยตัวให้กิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายเนี่ยขี่ลดเยี่ยวรถอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินด น, ดนั่งนอนตั้งแต่เล็กจนกระทั่งถึงเท่าแก่ชราตายเป็นกับขี่กับเยี่ยวของกิเลสถ้าเ ข, ข, ข้าเต็มตูวมีอย่างเหลือมันโศกระปโกขนาดไหนเรื่องกิเลสอาสวะแล้วมันทําไมมัน ที่รถเยี่ยรถเราตลอดเวลาเราไม่มีความข ย, ยักขยั่งต่อมันบ้างหรอือเพียงเราคนเดียวเราก็ยังเอาตัวไปไม่รอดแล้วเราจะทำยังไงวันนี้ก็ยังเอาตัวไม่รอดที่ผ่านมาก็ยังตัวไม่รอดก็ยังนอนให้กิเลสตัณหาสภาวะเป็นขี่รถเยี่ยรถนั่งให้บเป็นขี่รถเยี่ยรถตลอดมาในยาบททั้งสี่ยังจะเป็นส่วมเป็นฐานมันอยู่เหลือต่อไปนี่ควรพิจารณาตัวเองนี่เป็นคติอันสำคัญที่เราจะนาํามาใช้เสนอ ตัวเราเองกิเลสมันมีอำนาจวาสนาขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านทำไมปราบได้สาวกอรหัตละหันหรือพุทธบริษัททาหารทั้งแต่ข่านพุทธการท่านก็เป็นคนคนหนึ่งท่านทำไมปรากมันได้เอามันมาเป็นซ่วมเป็นฐานได้ขี้รดเยี่ยวลดมันได้ไม่มีแต่มื่ขี้รดเยี่ยวลดเราถ่าเดียวทําไมเราจะทาไม่ได้คิศมันเฮ้มนเป็นส้วมเป็นฐานเราสักทีไม่ดีเหรือพยายาม <laughs> มีแต่พวกส้วมพวกห้องน้ําห้องถักของมันมองไปไหนมีทองน้ํามังค่าห้องส้วมหองกิเลสมันก็น่ากระโดดสำเร็เหมือนกันน่ะเอาฟิตตัวให้ดีแต่มันอยู่ตรงไหนกิเลสมันอยู่ในหัวใจของเรานี่แหละไม่อยู่ที่ตรงไหนแต่เรามักจะเข้าใจว่ากิเลสมันเป็นเพื่อนสนิทเราแต่เป็นเราทั้งหมดนี่ที่อมัแก้ทั้งหมดกิเลสมาเป็นเรา ถ้าถือที่เลสแต่งกิเลสถือกิเลสเป็นภัยแลนะ้มันก็มีทางแก้กันได้หาอุบายพิจารณาแก้ไขตัวเองแต่พูดเรื่องการแ ก, ก้ก็มันมีอะไรที่จะแก้ยากยี่งกว่าแก้ทกิเลสกิเลสคืออะไรก็คือความโลภ ค, ความโกรธความหลงเป็นต้นนี่ มนุษย์เรามีหัวใจสัตว์มีหัวใจทําไมจะไม่อยากได้ทําไมจะไม่อยากโลภนี่เมืองพอของความโลภมันมีที่ไหนเมืองพอของความโกรธมันมีที่ไหนเมืองพอของความหลงมันมีที่ไหนมันไม่มีขอบมีเขตมันกว้างขวางยิ่งกว่าแม่น้ําท้องฟ้ามาหาสมุทรเพราะฉะนั้นมันมันกิงแก้ย่าเพราะมันกว้างต่อกว้าง เป็นของยากแต่เึิงกว้างขนาดไหนก็ตามรากฐานของสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ที่ใจดวงเหดียวนี้เท่านั้นประมวลลงมาข้าที่ตรงนี้มาตัดหน้ากแก้วของมันออกที่ตรงนี้แล้วมันตายไปหมดเช่นเดียวกับต้นไม้ดังที่เคยอธิบายมาแล้วเอาโรคความโกรธความหโง่กิงก้านสาขามันแตกกิงแตกก้านแตกใบแตกดอกแตกผลออกไปมากมายเท่าไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับต้นของมัน มันมีต้นมันมีอาหารเป็นที่หล่อเลี้ยงมันถึงเจริญเติบโตไปได้สนุกแต่กินแต่ก้านออกไปแต่ถ้าพยายามตัดจุดต้องการต้องกันเพราะมันซึ่งมีอยู่ภายใน จ, จิตใจของเราแล้ ว, ลวมันจะไมมีทางที่จะแถ่กระจายไปได้มากมาก่ายกองนะักจะค่อยอับเฉาหรือค่อ ย, อยลุกยอดตายลงไปโดยลำดับๆจนกระทั่งตายหมดโดยสิ้นเชิงณภายในใจด้วยอนาจของมหาสติมหาปัญญา ศรัทธาความเพียร น, นี้ไม่มีอย่างอื่นที่จะยิ่งไปกว่าทำตั้งกล่าวมาแล้วนี้ซึ่งเหมาะสมที่สุดกับการฆ่ากิเลสทั้งสามประเภทอันใดตัวนี้ทั้งหมดไปจากใจคําว่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จะปรากฏขึ้นมาโดยลําดับจนกระทั่งปรากฏขึ้นมาอย่างแจ้งชัดถ้าจักปลัจัยเป็นสันติทิโกรู้เองเห็นเองในวงผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะปะจัจจตังเลธิ บ, บวินยูหิ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 จากอตจารรมทำเลยศึกษาเราเรียน ม, มาพอสมควรเลยฟังโอวาจากครูจะกอศาตาอาจารพอสมควรปัญหาอันใหญ่ก็คือเรื่องของเราที่จะต้องฟิตตัวของเราให้มีสติปัญญาทันกับกลมายาของดิเรกซึ่งร้อยเล่ห์ทันเดี่ยงร้อยสรรทันคมที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราให้ขาดลงไปโดยลำดับลำดับดิเ ร, รขาดลงไปม า, มากน้อย ความสุขความสบายจะค่อยปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจเย็นใจนี่เย็นยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายเย็นสุขใจสุขไม่มีเละสุขไม่มีงามสุขไม่มีต่วยมีเน่าสุขอย่างสม่ำเสมอสุขสุดยอดยิ่งเป็นสุขอกาลิโกมันมีสลายเปลี่ยนแปลงไปไหนเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมนี่แหละท่าเรียกว่าความสุขของปราศ พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงค้นพบความสุขประเภทนี้สาวกอาราหาันรหันทั้งหลายท่านก็ทรงคน้นท่านก็ค้นพบความสุขประเภทนี้ท่านจึงปล่อยวางความสุกตัวประการทั้งปวงที่เคยเกี่ยวข้องกันมาให้เพียงแต่สุขทุกข์ก็ปล่อยโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันเป็นผู้หมดห่วงหมดใดหมดป่าช้าไม่ต่องมาวกเย็ยนไอ้กายเกิดไปอยู่ไม่หยุดไม่ถอยในคำเนิดต่างๆพบน้อยพบใหญ่ ถีย่างบอกว่าตักวนไปวนมาตัดตรงจากวัตวญ น, นี้ออกจากใจเสียได้เป็นความสุขเป็นความสบายอันร้นร้นนี่คือความสุขของมนุษย์แท้สมกับภูมิของมนุษย์ที่มีความเฉลียวฉละเจอความสุขนี้แล้วอันใดในดก็ปล่อยไปหมดนี่ในทำบทที่กล่าวว่าสมมนานามจะรัชนงังก็เข้าในอิทธิดวงนี้ แนี่บาลนสัจจิกิริยาเอตัมมังครมุตตะมังก็เช่นเดียวกันใทำพนิพันธ์ให้แจ้งคือเวลานี้พนิพาน์ถูกปิดบงังด้วยคีเดตประเภทดังกล่าวมาเหล่านี้จนมืดมิดทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีความสง่าผ่าพเผยขึ้นพนารา จ, จิตใจแม้นิดหนึ่งเลยท่าทิศน่าจะถูกเมฆปิดบงังแสงสว่างส่งมาไม่เต็มที่จต็ฐานได้ก็ตามแต่เป็นบางกาลบางเวลา ยอมมีการเปิดเผยตัวเอาได้อย่างชัดเจนที่เรียกทองฟ้าอากาศปลอดโปร่งในะเหตุจอมันจิตใจของเราที่ถูกกิเลสคุ้มพอปิดบังอยู่นี้ไม่มีวันปลอดโปร่งได้เลยเมื่อไม่ปิดตาทั้นั้นนั่นแหะท่าให้ทำพระนิพพานในแจ้งพรนิพพานเขาหมายถึงจิตนั่นเองไม่ได้หมายถึงอะไรที่พระนิพพานยังแจ้งไม่ได้ก็เพราะสิ่งปิดบังทั้งหลายคือกิเลสนี้ที่เกี่ยวเหมือนก้อนเม็ดปิดบังพระอาทิตย์ เมื่ชำระลงด้วยความเพียรของเรามีสติปัญญาเป็นผู้บุกเบิกแล้วเรื่องพระ น, นิพพานซึ่งเป็นตัวจิตล้วนๆนั้นจะค่อยแสดงตัวออกมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งทาพระนิพพานให้แจ้งอย่างประจักษ์มีกะเอตมังคา ม, ามุตมังเป็นมงคณอันสูงสุดมไม่มีมงคลใดในโลกนี้จะสูงสุดยิ่งกว่าการพบสมณะสุดท้ายคือ พระรหัสและการทำนิพพานให้แจ้งคือถึงความเมตตุแห่งใจนี่เป็นมงคลอันสูงสุดทำให้เห็นตรัสรักับใจของเราเนี่เราจะได้ชัดเจนว่าศาสน า, าของพระพุทธเจ้านั่นอ่ะสอนโลกอยนเปล่า ป, า, ปาเล่นเ่นหรือว่าสอนจริงหรือใครเป็นคนเล่นใครเป็นคนจริงปู่ว่าเป็นของเล่นหรือ ผู้ฟังผู้ถือเป็นเป็นคนเล่นหรืออะไรจริงอะไรไม่จริงพิสูจน์กันที่ที่หูมือใจกลางนำโอวาท น, นั้นหละเข้ามาพิสูจน์เป็นเครื่องมือแก้ไขอเมื่อธรรมชาตินี้จริงขึ้นมาล้วนแล้วธรรมะของพระเจ้าแม้แต่แตเป็นกระดาษเศษที่เขียนตกอยู่ตามถนนทางยังไม่กล้าเหยียบย่ำว่าไง เพราะนั้นเป็นคำสอนพระเจ้าหยียบไม่ลงถ้าลงในคารบหลักใหญ่แล้วปตีย่อิยคารบไปหมดพระพุทธลูกปก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามกราบอย่างถึงใจเพราะเชื่อหลักใหญ่แล้วหลักใหญ่คืออะไรคือหัวใจเราถึงความไริสุดเพราะอำนาจแห่งคำคำสอนพระเจ้าเป็นผู้ชี้แจงบอกแนวทางคารบบไปหมดดังท่านอาจารย์มั่นเป็นตัวอย่างใ น, นสมัยปัจจุบัน ในห้องนอนใดที่ถูกมิมนไปพักอย่างนี้ถ้ามีหนังสือธรรมะอยู่ต่ํากว่าท่านท่านจะไม่ยอมนอนในห้องนั้นเลยท่านต้องยกหนังสือนนั้ขึ้นสูงกว่าทีา่จักท่านเสมอท่านถึงยอมนอนมี่ธรรมพุเจ้าเราอยู่ด้วยธรรมกินด้วยธรรมเป็นตายละมอบกับธรรมปฏิบัติไปรู้เลยเห็นมากน้อยเพราะธรรมของพุทเจ้าเท่านั้นเราจะเแยกย่ทำทําลายได้อย่างไรกันบ้ เอาทาให้อยู่ตามก่าเราได้อย่างอ่ะนะท่านว่าท่านไม่ยอมนอนยกตัวอย่างเช่น ท, ท่านมาพาระวสระวันเป็นต้นในห้องนั่งมีหนังสือ่อท่านไม่ยอมให้ขนสื่อขึ้นสูงหัให้หมอดเลยนั่นเนี่อ่ะลงเคารพถึงใจทุกอย่างเพราะทำถึงใจความเคารพไม่ว่าจะฝ่ายสมมุติไม่ว่าจะอะไรท่านเคารพถึงเรียว่าสุดยอดกับพระพุทธเจ้ากาบพระพุทธรูป ก, ก็สนิท ไม่มีใครที่จะกาบสวยงามแนบสนิทยิ่งกว่าท่านจันมั่นในสมัยปัจจุบันนี้เห็นประจักด้วยัาความเคารพในอัตถนธรรมก็เช่นเดียวกันแม้แต่รูปท่ากระจายนะที่อยู่ในซองยาอะไรยาท่ากระจายนั้นพอท่านได้มาโอ้โหนี่ยาท่ากระจายนะเป็นภาษาของพระพุทธเจ้านี่ท่านตรงนี้เทยานออกแล้วเอายา พระกระเจอนั้นเหน็บไว้บนที่นอนท่านทั้งกราบนี่องค์สาวกรูปของท่านนี่วะมีความหมายแค่ไหนพระกระเจอนะจะมาทําเล่นๆนี้ให้หรือฟังนี่แหละเมื่อถึงใจแล้วถึงทุกอย่างเคารพทุกอย่างบรรดาที่สิ่งที่เป็นควรเป็นของเคารพท่านเคารพจริงๆนั่นท่านไม่เล่นเหมือนผู้ทุชนคนหนาเหยียบนุนเหยียบนี่เหมือนอย่างพวกเราทั้งหลาย ก็ไม่รู้ก็รู้คำคำงูปลาปาไปในลักษณะของคนตาบอดนั่นแหละถ้าคนตาดีแล้วไม่เหยียบอันไหนจะเป็นขวากเป็นหนามไม่ยอมเหยียบสิ่งไดที่จะเป็นโทษเป็นภัยขาดความเคารพท่านไม่ยอมทำนักตรานท่นเป็นอย่างนั้นอ้า ว, อ, า อ, วอ้ไนี่โอ้เอาละหยุดเตวัง